มาจากที่ไหนกันม า, มาจากกรุงเทพค่ะเคยมาปะพี่สาวเคยมาค่ะพี่สาวจะมาบ่อยอรืยมาครั้งแรกเลย่เชิญหยิบหนังสือซีดีไปได้นะหนังสือแจกหนังสือซีดีถ้าใครต้องการก็หยิบไป เอาไปอ่านเป็นเหมือนแผนที่พวกเราเป็นเหมือนพวกเดินทางหาบ้านเนาะเราอยากจะกลับบ้านกันแต่ยังไม่เจอบ้านยังติดอยู่บนถนนอยู่ปิดอยู่แถววงเวียนอนุสาวรีเวียนอยู่นั่นอะ่ะเพราะไม่มีแผนที่ต้องดูแผนที่ว่าทางที่จะไปบ้านเราไปอย่างไรเพราะว่า เราลืมตืมบ้านเราลืมทางเราก็เลยต้องมาดูแผนที่ดูแผนที่ของคนที่เขารู้ทางคนที่รู้ทางไปบ้านนี้ก็คือพระพุทธเจ้าอืพระสาวกท่านได้เดินทางไปถึงบ้านของท่านแล้วท่านก็เลยเอาแผนที่มาแบ่งให้พวกเรา ถ้าพวกเราอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีที่จะพาเราให้กลับไปที่บ้านบ้านที่มีแต่ความปลอดภัยปราศจากความทุกข์ปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เรายัางไม่พบบ้านของเราเราเลยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ วนเวีย น, นอยู่วัตจักรอนุสา ว, วรีย์วัตจักรวงเวีย น, นวัตจักรวนมาไม่รู้กี่รอบแนละ้วพอไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีก็เลยวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยถ้าเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้พบกับทางที่จะพาให้เราไปสู่บ้านของเรา ทางที่พระเจ้าส่งคนพบเรียกว่ามรคมรคแปดมรคที่มีองค์แปดถ้าเป็นถนนก็มีแปดเลนแปดช่องต้องไปถนนสายนี้ถ้าไปสายอื่นจะไปไม่ถึงต้องไปถนนที่มีสัมมาทิติคือความเห็นที่ถูกต้อง มีสัมมาสังก ป, ปความคิดที่ถูกต้องสัมมาธรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชิวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวาญโมวความเพียรความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติ การรับรูที่ถูกต้องและสัมมาส ม, มาธิความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องนี่คือการที่จะพาจิตใจคือพวกเรานี่แหละพวกเราก็คือจิตใจพวกเราอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นที่เรามากา่อมายึดมาอาศัยชั่วคร่าเราเลยไปไม่ถึงบ้านของเรา พอเรามาติดกับร่างกายทีนี้เราจะหาวิธีออกจากร่างกายไม่ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเพื่อเราจะได้ไปถึงบ้านของเรา <c oughs> ที่เราจะได้ไม่ต้องมีร่างกายเป็นที่อาศัยะนะเราต้องมาศึกษาว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างในตัวเรามีหรือยัง ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเช่นความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี้เรามีเรือยังความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรายังทำบุญทำบาปกันอยู่เรายังกลับมาเกิดกันอยู่ตายแล้วเราก็ กลับมาเกิดใหม่อันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเห็นว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากสามประการคือความอยากในรูปเสียงกินรดความอยากในรูปเสียงเกินรดเลยทำให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องมามีร่างกายถ้าเราไม่ต้องการจะมีร่างกายเราก็ต้องหยุดความอยาก ในลูกเสียงเก่งนกหยุดในความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรที่ที่ทำให้เรามีความสุขมันเป็นความสุขปลอมเพราะมันเป็นของชั่วคราวมันจะทำให้เราทุกเวลามันเสื่อมไป แล้วมันจะทําให้เรากลับมาเกิดใหม่ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เช่นเดียวกันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เพราะว่าอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่ตายพอร่างกายตายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะความอยากมีร่างกายต่อไปนี่คือ ความเห็นที่ถูกต้องว่าเหตุที่ทําให้เรามาเกิดกันก็เพราะเราทําตามความอยากกันแต่วันตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยอยากอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอความอยากเหล่า น, นี้เป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปทําบุญทําบาปเ <c oughs> พราะบางทีเราอยากได้อะไรแล้วเราอทํา อย่างถูกกฎหมายทำอย่างถูกศีลธรรมไม่ได้เราก็ไปทำบาปกันแล้วบาปก็จะพาให้เราต้องไปเกิดในที่ต่ำก่อนไปเกิดในอาบายแล้วก็หลังจากใช่บาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากของพวกเรา แล้วเราไปเกิดสูงเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันสุขทุกข์ก็อยู่ที่การกระทำของเราเราทำบุญเราก็จะมีความสุขเราทำบาปเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปเราจะทำบุญแล้วเราจะตัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปอันนี้ก็จะเป็นความคิดของเราถ้าเรามีความเห็นว่าการที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากถ้าเราไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากถ้าเราไม่อยากไปเกิดอบายในอบายเราก็อย่าไปทำบาปถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานยังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยก็ให้ไปเกิดในที่ดีก็ต้องทาบุญ ทำบุญไม่ทำบาป ก, ก็จะทําให้เราไปสวรรค์เวลาเราตายไปแต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากได้หมดเราก็จะไปนิพพานเลยไปบ้านของเราไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดเจ็เจ็บตายต่อไปแต่ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็ขอให้ไปที่สวรรค์ก็ยังดีดีกว่าไปอบายไปสวรรค์ไปพักผ่อนไปเที่ยว แล้วพอบุญที่เราใช้ไปสวรรค์มันหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญมาละบาปมาชำระความอยากต่างๆกำจัดความอยากต่างๆไปงั้นถ้าเราอยากจะไปในทางที่พระเจ้าสอนให้เราไปเราก็ต้องมาละการกระทำบาปสัมมากัมมันโต คือการกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัะเวนีอันนี้ก็เรียกว่าการไม่กระทําบาปเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องไปอบายแทนที่จะไปนิพพานถ้าทําบาปก็จะไปอบายแทนเหมือนกลับมาถึงสี่แยกแทนที่จะเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ไปผิดทางทางที่เราต้องการไปเราต้องการเลี้ยวซ้าย คือการไม่ทำบาปเราก็ต้องมีสัมมารกรมันโตคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วเราก็มีสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องที่ไม่เป็นบาป ก, ก็คือต้องพูดความจริงไม่ไม่พูดคำคำเท็จไม่พูดปดไม่พูดคำยาไม่พูด เพื่เจ้าไม่พูดส่อเสียดนีอันนี้เป็นธรรมากรรมัมสัมมาวาจาการพูดที่จะทําให้ไม่มีไม่มีโทษกับเราไม่ทําให้เราต้องไปใช้กรรมในอบายก็คือไม่พูดคําหยาไม่พูดปดไม่พูดคําหยาไม่พูดเพืเจ้าไม่พูดส่อเสียด แล้วอาชีพสา ม, มาอาชีวะก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเช่นเราจะไม่ทำอาชีพยิงนกตกปลาห า, หาสัตว์มาฆ่ามาขายฆ่าขายด้วยชีวิตของสัตว์ต่างๆหรืออาชีพที่เกี่ยวกับอาวุธหรือสิ่งที่จะไปทำาละใช้ ที่อยาไปใช้ทำลายชีวิตของผู้อื่นปืนผาหน้าไม้มีอะไรต่างๆที่จะไปทำให้สิ่งที่มีชีวิตนี้เสียชีวิตไปเราก็จะไม่ทำอาชีพหล่านี้อาชีพที่ขายสิ่งมึนเมาก็ไม่ทำเพราะจะทาให้คนเดื่มเน่วเมาแล้วก็ไปทำบาป ก, กันไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อาชีพที่ขายสารพิษต่างๆที่ทำให้เขาไปฆ่าสัตว์ด้วยสารพิษมแมงสัตว์ใดต่างๆนี่คืออาชีพที่เราไม่ควรจะกระทําไม่เป็นสัมมาชีพสัมมาชีพอาชีพอย่างอื่นเช่นเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นครู เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาอาชีพแล้วสัมมาวายาโมคือความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือขยันทำบุญขยันละ บ, บาปขัยัขยันกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเรียกว่าสัมมาวายาโม ความเพียรชอบแล้วความระลึกชอบเพือสัมมาสติก็คือให้เราฝึกสติให้อยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อจิตของเราจะได้สงบและระงับความอยากต่างๆได้เช่นให้ระลึกอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคิดแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงรูปก็อยากจะดูรูปคิดถึงเสียงก็อยากจะฟังเสียง ก็เกิดความอยากมันก็จะทำให้เราไปต่อพบต่อชาติให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดถึงรูปเสียงกินรสอย่าปล่อยให้คิดถึงลาบยุดสรรเสริญเ <c oughs> พราะมันจะทำให้เราอยากได้อยากแล้วเราก็ต้องไปหามาหามาแล้วพอหมดก็หาใหม่ พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่วิธีที่จะไม่อยากก็คือเราต้องมีสติสัมมาสติคือให้เราเลือกรู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าเรามีสติต่อเนื่องเวลาเรานั่งหลับตาจิตของเราก็จะสงบระงับความอยากต่างๆหรือแต่อุเบกขาความว่าง ความไม่มีรักชังกลัวหลงอันนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดคือมีสัมมาสมาธินี่คือมรรคที่มีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นทางที่จะพาเราไปสู่บ้านของเราไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ส้นสุดของความทุกข์ต่างๆต้องมีมรรคเป็นองค์ศามรรคเป็นองคศานี้ท่านก็ย่อมาเป็นสามทานศีลภาวนานี่ก็เป็นมรรคเหมือนกันเียงแต่มาเพิ่มทานคำว่าทานก็คือให้เราสาะทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราใช้ตามความอยากต้องการใช้เงินตามความอยากจะทําให้เรา สร้างพบสร้างชาติไม่ได้ตัดพบตัดชาติถ้าอยากจะตัดพบตัดชาติต้องไม่เอาเงินไปใช้ตามความอยากเช่นอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากไปซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้ออยากไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ซื้อเอาเงินที่จะซื้อนี้มาทำทานเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทำให้ ความอยากนี้หายไปพอเราไม่เอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากจะซื้อของอะไรต่างๆถ้าจะซื้อก็ซื้อด้วยความจําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อเอาไปทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเราก็จะทําบุญกันได้เ้วก็ ทำให้เรารักษาศีลได้ไม่ทําบาปกันเพราะคนทําบุญจะไม่ชอบทําบาป <c oughs> ทําบุญอยากให้คนอื่นมีความสุขนั้นพอทําอะไรที่จะทําให้คนอื่นเขาทุกข์เดือดร้อนก็จะไม่อยากทําก็จะรักษาศีลได้ง่ายจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพูดผิดประเวณีไม่พูดปโกรธอันนี้ก็จะได้สัมมา วาจาสัมมารกรรมโตก็เรียกว่าเป็นมรรคเหมือนกันนะแล้วพอเรารักษาสีลนได้จากสีนห้าเราก็จะเพิ่มเป็นสีน้นแปดรักษาสินแปดได้เราก็จะมีเวลามาฝึกนั่งสมาธิฝึกจเจริญสติเพราะว่า ถ้าเรายังไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเราจะไม่มีเวลามาฝึกสติกันพอเราถือศีลแบบเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปนอนกับแฟนไม่ได้ไปกินเลี้ยงตอนคืนไม่ได้กินอาหารเย็นไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ก็เลยทำให้เรามีเวลาว่างมีเวลามาเจริญสติ อันนี้ก็เป็นสัมมาสติขึ้นมาถ้าเราเลิกรู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปใจของเราก็ไม่คิดเรื่องราวต่างๆเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าภาวนาส ม, ส ม, มถภ า, าวนาพอมีส ม, มถภ า, าวนาเราก็ใช้ วิปัสสนาภาวนาคือปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจที่พระเจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกยิดก็ต้องตัดความอยากต่างๆอานจะตัดความอยากได้แล้วก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์พอได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปเวลาสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์กับมันเวลามันหมดไปเราก็ทุกข์กับมันน แต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์กับมันงั้นอย่าไปมีอะไรดีกว่าเพราะของทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีมันมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเช่นภาพยศสรรเสริญลูกเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเวลาไม่มีเราก็อยากได้พอได้มาแล้วเราก็มาทุกข์กับเขาทุกข์เพราะกลัวเขาจะจากเราไป ทุกข์ทุกเพราะกลัวเขาจะเปลี่ยนไปแต่เวลาเขาเปลี่ยนแเ้าก็ทุกข์เวลาเขาจากไปก็ทุกข์เวลาหาก็ทุกข์ควาจะได้ก็เหนื่อยยากลําบากถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้หยุดความอยากได้สู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่กับพุทโธพุทโธใจสงบแล้วก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรแล้วความสุขแบบนี้ก็ไม่จากเราไป ถ้าเรารู้จักทำให้มันเกิดขึ้นเราก็จะทำมันได้เรื่อยๆเพียงแต่ให้มีสติเท่านั้นเองให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้จิต ก, ก็จะสงบแล้วก็จะอิ่มจะพอจะไม่อยากได้อะไรพอมีความอยากก็ใช้ปัญญามันเตือนว่าอย่าไปอยากอยากลดทุกข์ทุกข์ตั้งแต่อยางพออยากว่า ก, ก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้ว แล้วเวลาไปหามาก็ทุกข์อีกบางทีก็ก่าจะได้ก็เหนื่อยอยากจะได้แต่ละอย่างนี้มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆการหาก็ทุกข์การรักษาก็ทุกข์เพราะวิตกกังวลแล้วเวลาจากกันก็ทุกข์อีกอถ้าเราทำตามความอยากก็เป็นการเดินไปหาความทุกข์แล้วก็เดินไปหาการเกิดแก่เจ็บตาย เพราะถ้าร่างกายนี้ตายไปเรายังอยากอยู่เราก็กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้ทาตามความอยากใหม่เหมือนที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราได้ร่างกายอันนี้ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่กี่ล้านเราก็าไม่รู้ร่างกายกก่าวที่ตายไปพอมันตายไปความอยากของเรายัางไม่หมดยังมีอยู่ในใจใจก็เลยต้องมาหามาหาร่างกายอันใหม่ เพื่อจะได้ทําตามความอยากใหม่แล้วก็จะทําหนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเครื่องกาจะหยุดความอยากต่างๆได้จะหยุดได้ก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าที่เห็นว่าการทําตามความอยากเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เป็นการเดินเข้าหาการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เป็นการหลุดพ้น การจะหลุดพ้นจากการเงินว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องไม่ทําตามความอยากอันนี้เป็นความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ดีก็ทําได้เช่นความอยากจะหลุดพ้นอยากจะทําบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะนั่งสมาธิอันนี้เป็นความอยากที่ดีทําได้ความอยากไม่ดีก็คือความอยากจะหาความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความ อยากได้ลาบยศสารเสด็จอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากอะไรต่างๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้เราต้องกําจัด ม, มันไม่งั้นมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพายเราไปกลับมาเกิดใหม่นี่ก็คือมักแปดเหมือนการทานศีลภาวนาะทําทานไปมีเงินมีทองแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปทําบุญ อาไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเห็นก็มีความสุขจากการเสียสละของเราเราก็จะมีความสุขความสุขนี่ก็เป็นบุญทําให้ใจเราอิ่มทําให้เราไม่มีความอยากที่จะไปซื้อของต่างๆไม่มีความอยากไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ไม่ต้องไปทําบาปคนที่ไปทําบาปเพราะว่าต้องใช้เงินมาก ใช้เงินตามความอยากพอใช้แล้วก็ติดอยากจะใช้อีกเรื่อยๆก็ต้องไปหาเงินมาใช้อยากจะได้ง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก, ก็ต้องไปทำบาปไปขอรับชั่นไปช่อโกงหรือท่านหนักกว่า น, นั้นก็ไปลักทัพไปไปฆ่าผู้อื่นเวลาเกิดการต่อสู้กันแต่ถ้าทำบุญแล้วใจก็จะไม่มีความอยากที่จะหาเงินมากๆ พอมีพอกินก็อยู่ได้แล้วก็พอแนละ้วก็จะรักษาศีลได้จนต้องการรักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วอยากจะได้ความสุขมากขึ้นก็ต้องรักษาศีลแปดการรักษาศีลจะทำให้ใจเราสบายไม่ทุกข์กับการกระทำบาปต่างๆเวลาทำบาปใจจะทุกข์จะไม่สบายพอไม่ทำบาปใจก็จะสบาย แล้ถ้าอยากจะสบายมากกว่านั้นอยากจะให้ใจสงบก็ต้องไปรักษาศีลแปดไปปีกเว่เวกไปอยู่วัดตามวัดเพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกสติมาจเจริญพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้ใจคิดไปกับเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดเวลานั่งใจก็จะสงบถ้าใจคิดไม่มีสตินั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่สงบ นั่งไปได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวเพราะอึดอัดหรือเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาถ้าใจมีสติไม่คิดอยู่กับพุโทโธปายนี้มันจะไม่มีอาการอึดอัดจะไม่มีความรู้สึกอยากจะลุกร่างกายจะเจ็บมันก็ไม่สนใจมันจะอยู่ได้ฉะนั้นต้องพยายามฝึกสติต้องรักษาสิ้นปากับฝึกสติถึงจะนั่งสมาธิได้ผละ เมื่อนั่งสมาธิได้ผลแล้วก็จะมีกำลังที่จะเลิกความอยากได้เพราะเราได้ความสุขจากสมาธิที่ดีกว่าการไปทำตามความอยากเราก็เอาความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าดีกว่าไปเอาความสุขจากการทำตามความอยากเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่กลายเป็นทุกข์ต่อไปเวลาทำแล้วได้อะไรมาใหม่ๆก็สุข ซื้อของมาใหม่ๆก็สุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับมันเวลามันหายไปเลยเวลาต้องคอยดูแลรักษามันฉะนั้นอย่าไปอยากยา ก, ก่อนก่อนที่จะเลิกความอยากต่างๆได้ต้องมีความสงบ ก, ก่อนมีใจที่มีความสุขในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการทําตามความอยากต่างๆก็จะ จะเลกความอยากต่างๆได้เพราไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวที่จะไปผลักดันให้ไปเกิดใหม่ก็ไม่มีการวิ่นว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอหมดความอยากก็ถึงบ้านถึงบ้านเราถึงบ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีการวิ่นว่ายตายเกิดเราเรียกว่าพระนิพพานจิต ท, ที่จำละด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยมรรคแปด ก็จะทําให้ใจปราศจากความอยากต่างๆความอยากก็เป็นเหมือนเชื้อโรคเวลามีเชื้อโรคก็ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอเรากินยาเข้าไปยาไปทําลายเชื้อโรคหมดโรคภัยไข้เจ็บก็าหายไปอันใดความอยากนี่ก็เป็นเหมือนเชื้อโรคตัวที่ทําใจให้ใจเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ใจเราทุกข์าทำใจให้เราวิตกกังวลพอเราเอามรรคแปดที่ปัญญานี่มาทำลายมาันพอความอยากถูกทำลายไปหมดใจก็เหลือแต่ความสมบุบเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรม เราก็จะไปคิดว่าชีวิตของเราความสุขของเราอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ต้องมาร้องหย่ร้องไห้จับลาบยศสรรเสริญจับรูปเสียงกลิ่นรสพอเวลาเขาจากไปเวลาเขาเปลี่ยนไปหายไปเราก็ทุกข์กันนั่นเป็นวิธีหาความทุกข์วิธีหาการเวียนว่ายตายเกิด วิธีที่จะดับทุกวิธีที่จะหลดพ้นกวาจากความทุกข์ก็คือต้องไม่ไปทําตามความอยากต้องไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ไปหาลูกเสียงกินลนดต่างๆด้วยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้มีมรรคเป็นองค์แให้ทำทานถ้ามีเงินที่จะไปซื้อความตามความอยากก็เอาไปทาบุญหรือจะเก็บไว้เฉยๆก็ได้เก็บไว้สำหรับ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือถ้ามันมีมากเกินไปก็เอาไปทำบุญเพราะว่าเผื่อว่าเรายังไปไม่ถึงนิพพานชาตินาลับมาเราจะได้มีมีบุญรอเราอยู่เงินที่เราเอาไปทำบุญเหมือนเงินเราไปฝากธนาคา ร, รเวลาเราต้องการเราก็เบิกมาใช้ได้มีทั้งต้นมีทั้งดอกด้วยเงินที่เราทำบุญในชาตินี้ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพาน เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอนเราอยู่จะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทองไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากนี่คือเหตุผลของการทาบุญทําทานหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปใช้เงินไปตามความอยากที่ไปจะทำให้สร้างพพสร้างชาติสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายต่างๆ ทำบุญแล้วใจจะอิ่มจะมีความสุขจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนคนที่ไปเที่ยวแล้วจะติดจะต้องไปเที่ยวเรื่อยๆวันไหนไม่ได้เที่ยวก็จะหงุดหงิดลาคาญใจอันนี้คือวิธีแก้ความหงุดหงิดความคามใจการติดการเที่ยวก็คือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนทาบุญก็จะได้ความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมามันก็หมดไปคิดนึกถึงสถานที่ที่เราไปเที่ยวมาก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ถ้าเราไปทําบุญกลับมาเราก็ยังมีความสุขจากบุญที่เราทําอยู่คิดถึงบุญที่เราทําที่ใดเราก็มีความสุขไม่มีความอยากจะไปเที่ยวไหนทําให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้เงินทอง ถ้าเที่ยวนี้ต้องใช้เงินทองเที่ยวเราก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆทเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องไปดิ้นอนองหาเงินหาทองก็ต้องไปทำบาปเพราะฉการทำบุญนี่จะทำให้เราตัดความอยากไปได้ตัดการไปทำบาปได้และทำให้เราไปรักษาศีลกันได้เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ มันเป็นเหมือนก้าวบันไดทำฐานก่อนถ้ายัางทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลยากถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ก็รักษาศีลแปดไม่ได้รักษาศีลแปดไม่ได้ก็ไปอยู่วัดไปภาวนาไม่ได้ต้องทําเป็นขั้นขั้นไปทําบุญทําทานทุกครั้งที่ยามเงินไปซื้อของไม่จําเป็นก็ไปทําบุญแทนอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่เห็นมันสวย ทั้งๆที่มีอยู่ต้องหลายใบเนี่ยก็อย่าไปซื้อเหมืนนี้เห็นเสื้อผ้ามีเต็มตู้แล้วก็ไม่ต้องซื้อของไม่จําเป็นอย่าซื้ออยากไปเที่ยวท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็อยากไปเอำเงินไปทําบุญดีกว่าเช่นออกรพรรษางานกระถินก็ไปทอดกรถินกันไปทําบุญกันอย่างนี้จะทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจ ทำให้เราอยู่เฉยๆได้ทาให้เราไม่ต้องไปดิ้นหนหางหนหาทองไม่ต้องไปทําบาปทําให้เรารักษาสี่ห้าได้มารักษาสี่ห้าได้เราก็จะเห็นว่ารักษาอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นตรงไหนรักษาศินแปดได้รักษาสินแปดได้ก็มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเจริญพุทโธพุทโธเจริญสติมีเวลานั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิได้ใจสงบก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะทําให้เราทิ้งความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปได้หมดไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเราก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราก็จะไม่มีตัวที่จะมาผลักให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้ไปถึงนิพพาน ได้หลุดพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างใจของพระเจ้าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังอยู่กับความสุขยังอยู่กับนิพพานอยู่ใจของพระสาโวโบเกอเหมือนกันใจของพวกเราอยู่กับความทุกข์ใจของเราหรือใจของพระเจ้านี้ไม่ตายเหมือนกันต่างกันตรงที่อยู่แบบไหนอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ ท่านอยู่แบบสุขเพราะท่านไม่ต้องมีท่านไม่มีความอยากถ้าไม่มีร่างกายก็เลยไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายพวกเรายังมีความอยากอยู่กับความอยากอยู่กับร่างกายก็เลยต้องอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายี่ก็เลยเป็นความทุกข์กันใจของเราวใจของพระพุทธเจ้าไม่มีวันตายเหมือนกันแต่ใจอุตเข้าใจของอุตตเจ้าท่านหยุดหยุดวีนว่ายตายเกิดแล้ว ท่านไม่มีความทุกข์แล้วแต่ใจของพวกเรายัางเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปจนกว่าเราจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปจะหมดได้ก็ต้องมาทำบุญทำทานมารักษาศีนมาภาวนากันนี่คือมรรคที่เป็นองแปดทางเดินสู่พระนิพพานทางเดินสู่บ้านที่เรากำลังห า, หากันอยู่ ก็เอาหนังสือไปอ่านไปศึกษาดูแล้วลองไปปฏิบัติดูแล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับกันเ พ, พราะภาษาวกได้รับผลมาแล้วภาษาวกก็เป็นพวกเรานี่แหละที่หลังจากได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ได้ผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนด้วยกสิทธิ์นะ แล้วก็มันเป็นเรื่องของเหตุของผลถ้ามีเหตุผลก็ต้องมีถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่มีในเหตุผลนี้ก็ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาถึงแม้เหตุที่พรเจ้าได้ทรงมีและผลที่ได้ทรงมีผ่านมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเหตุและผลนั้นก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสร้างเหตุขึ้นมาได้เราก็จะได้ผลเหตุก็คือการปฏิบัติ มักแปะหรือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แล้วผลก็คือพานิพานก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่ได้อยู่ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวดเพศเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดให้ไปนิพานตัวที่กำหนดให้ไปนิพานก็คือทานศีลภาวนานถ้าเป็นคารวะแต่มีทานศีลภาวนานก็ไปนิพานได้ ถ้าเป็นพระแต่ไม่มีทานศีลภาวนาก็ไปไม่ได้พวกที่มาบวชเป็นพระแต่ไม่มาภาวนาก็ไม่มีวันไปถึงนิพพานได้นั่นหมายไม่ได้อยู่ที่เพศการเป็นพระมันดีตรงที่ว่ามันไม่มันไม่มีภา ร, รกิจอย่างอื่นต้องทําเหมือนคาราวะมีเวลามากมีเวลาที่จะภาวนามากแต่ถ้ามีเวลาภาวนาแล้วกลับไม่ภาวนากลับไปทําอย่างอื่นมันก็เสียเวลาเปล่า มันก็ไปไม่ได้งัา น, นเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นหญิงเราไม่คารวะเราไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าการจะไปนิพพานนี้อยู่ที่มรรคแปะอยู่ที่ทานศีลภาวนาไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้หญิงหรือเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็ได้สมัยพุทธกาลนี่มีผู้ไปถึงนิพพานมีทุกเพศทุกวัยคารวะก็มีหญิงก็มีชายก็มี นักบวชก็มีเด็กก็มีสา ม, มเณรก็มีคนแก่ก็มีคนใกล้ตายก็มีออมีม 8, รรคแปดปั๊บมันถึงด้วยกันทุกคนฉะ <c oughs> นั้นเราอย่าไปมองที่เพศของเราเรามองให้มองที่มรรคแปดของเราว่าเรามีมากหรือเปล่าถ้าไม่มีเราสร้างกันขึ้นมาสร้างให้มันมีให้ครบถ้ามีครบเมื่อไหร่มันก็ไปถึงนิพพานได้เมื่อ น, นั้น นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรายัางต้องเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้และต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติมากคือทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ตอนนี้เราก็เริ่มต้นที่ก่อไก่ขอขาก่อนมาทําบุญทําทานก่อนแล้วก็มารักษาศีลห้ากัน ต่อไปก็หัดรักษาสีลแปดต่อไปก็หัดภาวนาแล้วก็หมั่นฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้มีปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะต้องมีวันพัดพากจากเราไปถ้าเรามีมรมีความรู้เหล่านี้ เราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนั่นก็ขอให้มันขยันศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มันพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทุกคนทำได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองถ้าไปอ้างนูน่นอ้างนี่ก็จะทำไม่ได้ ถ้าถ้าไม่อ้างอ้างพระพุทธเจ้าอ้างภาษาบกว่าท่านก็เป็นเหมือนเราท่านทําได้เราก็ต้องทําได้เราก็ทําไปทําจากจุดที่เราทําได้ไม่อย่าไปทําในจุดที่เรายังทําไม่ได้ตอนนี้รักษาศีแปดไม่ได้ก็รักษาสีห้าไปก่อนเอรักษาสีห้ายังไม่ได้ก็ทําบุญทําทานไปเรื่อยๆก่อนตัดความอยากไปก่อนจกหยุดการใช้เงินตามความอยากต่างๆ ถ้าต่อไปเดี๋ยวก็จะรักษาสี่ห้าได้อ <c oughs> ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 พรโสยทตาสพีิติโยวิวาทจันโุสัพพโรโววินาศตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวันโสุขัง ได้เลยครับตัข้างเลยครับ เอาไงเคซีเคซีใส่เสื้ออะไรอันนี้ซองครับเอาวางว้รอากาบกาบเออกาบพระพูดพระธรรมพระสงฆ์พระพูดเอพระธรรมอพระสงฆ์ ยัไงไงมีหนังสือซนะีดีนะหยิบได้ต้องการเล่มไหนก็ไปหนซีดีได้เลยนะครับทุกเล่มเลยนะครับซีดีทุกแผ่นหยิบได้เลยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันอ่ะหยิบได้เลยครับอา่าแคสซีขยับไปหน่อยแคสซีขยับไปข<ด>้างๆมันได้ตรงนี้หรอไ ด, อได้โอเย กี่นค น, ค น, ค น, น, คนมากันเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนนะนครศรีธรรมราชนครศรีอ๋อพ่อพ่อพามาพกกระเป๋าพ่อเสียชีวิตแล้วอ่าว่าก็ก็ไปต่อเสียแต่ร่างกายแต่ตัวพ่อไม่เสียนะนสียแต่ตัวร่างกาย ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะ ย้อนะกลาบก่อนจะตายอาไม่เป็นไรยืดไปนอ่เราตามท่าปลายกลางปลายหายดีนะปลอยหายดีต้องต้อง สบายเลยรับสายครับเบก็ได้สบายเ กายอยากจะถามอะไรไหมมีกายอยากจะถามอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงยรงนี้มาบ่อยหน่อยนะอย่างเทพเหรอย่างเทพ น, นาไเวลานั่งสมาธินียคะ่ะเราต้องใช้เวลานานาัหมทุกๆครั้งเห็นว่าต้องเท่าๆกันไหมคะหลวพ อ, อเวลาไม่สําคัญอะแต่เรานั่งได้ผลนี่มันจะนั่งได้นานไปเรื่อยๆเพราะมันมีความสุขไงถ้ามันนั่นงไม่ได้ผลนี่เดี๋ยวมันหงุดหงิดหุนอ่ามันเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวกำหนดมาที่พุทโธอย่าไปอย่าไปดูน<ร>าฬิกาอย่าไปดูเวลา ให้ดูที่สติดูที่พุโทโธพยายามไม่จิตมีพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้นานถ้ามันได้นานเองถ้าไม่มีพุโทโธเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวมันก็ลุกจะแบบคิบนู่นคิบนี้เรื่อยๆังนั้นก่อนจะมานั่งต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนจะดีกว่าต้องฝึกพุโทโธก่อนก่อนที่จะมานั่ง ห, หัดพุดโทโธไปเป็นให้มันเป็นนิสัยไปเลย แบบเราอยู่เฉยๆก็พุโทโธอา่าทํางานก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรกับพุโทโธไปถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดก็ อ, อย่าไปคิดอยากนู่นอยากนี่คิดเพ้อฝันเพเอ้อเจ้ออย่าไปให้มันคิดวิตวิตกกังวลห่วงนั่นห่วงนี่ให้ อ, อยู่กับพุโทโธดีกว่าแล้วสุดว่าเวลาที่ที่ถือว่านั่งไปสุดว่าให้เรารู้ตาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เวลานั่งไม่ให้ไม่ให้รู้ตาเวลานั่งก็ให้พุโทโธไว้ เ, เพื่อจะได้หยุดความคิดเรื่องรู้ตานี้รู้ตอนที่เราไม่ได้มานั่งเช่นเรากำลังเดินให้รู้ว่าเรากำลังเดินกำลังยืนกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกาลังล้างหน้ า, อาตอนนั้นให้รู้อันนี้เป็นเรียกว่าวิธีฝึกสติจะรู้วเวลานั่งให้ลงสมาธิก็ไม่ต้องตาม ไม่ได้คิดอะไรเลยให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมอย่างเดียวอต้องมีอะไรกํากับใจนั่งแล้วถ้าไม่กํากับเดี๋ยวมันก็จะคิดพอนั่งแล้วถ้าใช้ลมก็ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้แค่นี้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกถ้าถ้าเวลาพุทธโธเนียเราต้องกํากับกับลมหายใจไหม ความจริงกํากับก็ได้ไม่กํากับก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะบางคนก็ไม่ถนัดกํากับเขาก็พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้ลมเลยพุโทโธพุโทโธไปบางคนก็ดูลมอย่างเดียวไม่ใช้พุโทโธเลยบางคนก็กํากับพุทเข้าโธออกก็ได้สามวิธีใช่ได้สามแล้วแต่อันไหนเราจะถนัดอันไหนแล้วก็ใช้อนั้นไปเป้าหมายก็คือให้เรามีงานทําจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ใจมีงานทำถ้าใจมันมีงานทำเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ <Yeah. S 1> ในก่อนจะมานั่งแบบนี้ได้ต้องมีสติคากลับไว้ก่อนแล้ว <Yeah. S 1> ต้องไม่คิดแล้วถ้าคิดถ้ายังคิดอยู่มานั่งมันก็จะสงบยากคือ yeah. ฝ <Yeah. S 1> uh, ึกชีวิตประจำวันไปก่อนใช่พุทโธไปในชีวิตประจาวันก็ได้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปก็ได้ yeah. เลยทั้งสองอย่างก็ได้กําลังแปลงฟันกับพุโทโธไปด้วยก็ได้อย่าไปเพิ่งคิดเพิ่งเจอเพอิ่งฝันไปคิดวิตกกังวลห่วงใ ย, ยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนะแล้วเวลานั่งจะนั่งได้นานถ้าสงบแล้วบางทีนั่งได้เป็นชั่วโมงเลอ่า อ, อย่างนั้นก็นั่งไม่ไม่ไห ว, ไไหวเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นมา ใครมาที่หลังจาเข้ามาถวายของอะไรก็ได้นะตอนนี้สะดวกเอาของเข้ามาได้เลยนะาวางันตรงนี้ นั here, uh, ่งไว้ตรงนี้เลยนั time, ่งไว้อ่ามีหนังสือซีดีแจกนะถ้าต้องการก็หยิบไปหยิบไปอ่านได้หยิบไปฟังได้หยิบไปทุกเล่มเลยนะครับหนังสือครับอนี้เป็นเซตนะครับเซตเซตสี่เล่มนะครับจะนั่งฟังอยู่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถึกถึกลดกล้องอย่างเดียวพอกะับเลยแต่นั่งได้ครับด้านบนนั่งได้ครับขอบคุณครับ กำลังคุยกันสม น, นาธรรมกันถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะรู้อะไรก็ถามได้นะหนังสือซีดีหยิบได้เลยไม่ต้องเกรงใจเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านนะอย่าไปตั้งไว้เฉยๆหนังสือมีไว้ให้อ่านอนยจะขับเขหยิบเลนะก็ยัน่างฟังหลวงพ่อางฟังไปก่อนก็ได้ว่ามา อาจารย์เรื่องความเจ็บป่วยนะคะอี่ที่เผชิญ อ, อยู่ทุกวันนี้อในแต่แตละครั้งก็จะมีเรื่องเจ็บป่วยที่เข้ามาเรื่อยๆ เ, เหมือนไม่จบไม่สิ้นที่ตอนนี้ใจก็จะรู้สึกมองดูเฉยๆแล้วก็วางเมื่อเกิดทุกเวทนาเช่นเจ็บหรือว่าคันก็จะเหมือนมองอยู่ใช่ไหว่าถึงถูกแล้วละให้สักแต่ว่ารู้เรามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งแพ้ยาที่ทาแล้วผื่นขึ้นทั้งตัวออคือโยมก็จะแบบ จุดห่งที่คันมากๆ ม, มันเหมือนมันหยุดหมดเลยทีที่ลงไปหมดเลระหว่างนั้นก็คือพุทโธพุทโธอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันหายถ้ายิ่งอยากยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้ารู้เฉยๆจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์แต่ร่างกายก็ทุกข์ไปตามเรื่องของมันซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่โตเรื่องความเจ็บของร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทางใจ เราสามารถหยุดความทุกข์ทางใจได้ด้วยการให้รู้เฉยๆให้สัก แ, แต่ว่ารู้ว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างนี้ก็รู้มันไปแต่อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นพอ เ, เกิดความอยากให้เป็นอย่างอื่นมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์เช่นมันเจ็บอยากจะให้มันหายเจ็บมันก็จะทําให้เราเจ็บสองชั้นเจ็บที่ร่างกายแล้วยังต้องมาเจ็บที่ใจด้วยแต่ถ้าใจเราไม่มีความอยากให้มันหายก็จะเจ็บที่ร่างกายเอง ที่เดียวความเจ็บของร่างกายนี้มันเบากว่าความเจ็บของใจถ้าใจไม่เจ็บแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายแต่บางครั้งก็แบบท้อนะคะท้อเพราะอยากไงเพราะอยากให้มันหา ย, ไ ม, ยาไม่อยากไม่อยากไม่อยู่ไม่อยากไม่เจอสภาพอย่างนี้ไม่ได้มันถึงท้อเรา ต, ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลของการมาเกิด ต้องต้องสอนจาเนี่ยสมนําหน้ามึงอยากจะมาเกิดมึงออถึงต้องมาเจออย่างนี้ถ้ามึงไม่อยากจะเจออย่างนี้ก็อยากกลับมาเกิดต้องสอนมันถ้าอย่างนี้แล้วมันจะไม่ท้อมันจะว่าเอออย่างมกากก็ครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ไม่กลับมาเกิดแล้วเกิดแล้วคืเอเหมือนใช้ไปให้คนหมดไปให้มันตายไปพอตายมันก็จบแล้วแล้วถ้าไม่มีความอยากมาเกิดก็ไม่มาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาเจอมัน เ, นเลย ความอยากให้มันหายก็จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่ก็อยากจะให้ได้ร่างกายดีๆก็คิดว่าก็ต้องเอาร่างกายอันใหม่ร่างกายเก่าไม่ดีก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เดี๋ยวมันก็ไปเกิดใหม่อีกเราต้องทำใจเฉยๆว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วต่อไปก็จะไม่กลับมาเกิด อ่าใจอ่าใจไม่เจ็บใจไม่เจ็บอ่าใจจะเฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วเวลาภาอนาพุทโธเนี่ยตอนที่จะเข้าห้องขัอ่าดก่อนที่จะจะมีห้องทีออกมาค่ะจิตตอนนั้นจะรวมได้ดีมากกว่าเวลาปกติใช่เพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งแล้วมันต้องพึ่งพุทโธอย่างเดียวอันนั้นคือที่พระอาจารย์เคยสอนว่า ใช่ใช่พอคับกันนักภาวนาจึงมักจะไปหาที่น่ากลัวกันพอไปได้ยินเสียงเสือคำรามนี่มันจะพูดโธพูดโธเลยมันจะไม่อยากจะไปคิดถึงเรื่องอะไรพอคิดถึงเรื่องเสือแล้วมันยิ่งกลัวใหญ่ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องผ่าตัดเราก็จะยิ่งกลัวใหญ่แล้วก็สงบสงบแล้วก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับฉีดยาสงบให้กับใจใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย ไม่ไม่วุ่นวายใจมันต้องเจอเหตุการณ์จริงๆมันถึงจะบังคับให้เราทำจริงๆให้เราพุโทโธจริงๆพอเราพุโทโธจริงๆเดี๋ยวพุโทโธก็เป็นที่พึ่งของเราขึ้นมาเจะทาให้จิตเราสงบพอจิตสงบแล้วก็จะเฉยๆมีอุเบกขาไงเวลาสงบนี้จิตจะมีอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะเฉยๆ ตัวจิตเองนี่คือตัวรู้เท่านั้นเองถ้ามันไม่คิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้นี้ก็จะเย็นสบายตัวที่ทำให้ตัวรู้นี้วุ่นวายก็คือตัวคิดถ้าไปคิดว่าเป็นร่างกายของเราอยากให้มันหายอยากให้มันไม่เจ็บนียมันก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาโดยที่นี่เป็นกิเลสส่วนใหญ่ล้วคิดไปทางกิเลสกัน <c oughs> คิดไปในทางธรรมก็ได้คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเรา คิดว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราคิดว่าเรื่องการเจ็บไข้ได้ปวดเป็นเรื่องธรรมดาเอออย่าไปฝืนมันอย่าไปอยากให้มันหายไปเออเราสั่งมันไม่ได้มันจะหายมันหายของมันเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปให้คิดแบบนี้คิดเป็นธรรมถ้าคิดแบบคิดเลยโอย้อยากจะหาย้ทนไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วเกินอันนี้ยิ่งทําให้ใจเครียดขึ้นมาใหญ่เอบบเอ ขอพรอาจารย์เมตตาสอนคน ข, ข้างตัวด้วยค่ะเช่นสามีและลูกที่เขาอยู่ด้วยเขต้องก็เขาก็ต้องทำใจก็ต้องมองว่าร่างกายของแต่ละคนนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวเรานี่อยู่ในโลกทิพย์เป็นใจที่มาเกาะร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้พาเราไป หาอะไรต่างๆไปดูอะไรต่างๆไปฟังอะไรต่างๆเป็นเพียงคนรับใช้เวลาร่างกายนี้ตายไปคนสั่งให้ร่างกายยังอยู่เจ้านายของร่างกายนี้ยังอยู่คือตัวรู้ตัวคิดเนีย่ยคือใจตัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปถ้ายังมีความอยากก็ไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่ แล้วพอโตพึ้นก็ได้แฟนคนใหม่ได้ลูกคนใหม่มก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดั<ม>งนั้นตัวตัวเจ้าของตัวที่สั่งให้ร่างกายไม่ได้ตาย<ม>ตัวเรานี่ไม่ได้ตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นคนรับใช้เราในเวลาร่างกายตายให้มองว่าเป็นคนรับใช้ของเราที่ตายไป ถ้าเป็นสามีก็ร่างกายของสามีก็เป็นคนรับใช้ของสามีตัวสามีไม่ได้ตายตัวสามีไม่มีวันตายตัวเราไม่มีวันตายถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็จะยากยาที่จะทำใจก็ต้องก็ต้องปฏิบัติเนี่ยก็ต้องพุทโธพุทโธไป <c oughs> อาจทำใจหาดพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำใจได้ ขอขับเรียนถามว่าทุกขาว่าตัวจิตกับจิตยามขานธนีน่เขาเป็นคนละตัวว่าเขาเป็นตัวเดียวกันจะ้ะคือตัวจิตนี่มันในตัวจิตนี่มีตัวรู้ตัวคิดนะ่ตัวคิดนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวคิดนี่มันก็มีสามสี่ส่วนด้วยกันตัวคิดแล้วก็ตัวที่ไปรับรู้เรื่องต่างๆทางตาหูจมูกเนื้อง่าย ตัวนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้เป็นผู้ไปทาหน้าที่เชื่อมใจกับร่างกายสมมติใจเป็นคนขับเลยรถยนต์เป็นน่างกายใจก็ต้องเหยียบเบรกมีพวงมาลัยในตัวเชื่อมอถ้าไม่ไปเชื่อมกันมันก็ไม่สามารถขับเคลื่อนนั่งกายได้อันใดใจจะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรได้ ก็ต้องมีตัววิญญาณวิญญาณนี้เป็นเหมือนสะพานไปเชื่อมใจกับร่างกายแล้วพอร่างกายลืมตาเห็นรูปรูปก็จะเข้ามาที่วิญญาณวิญญาณก็จะพาเข้ามาสู่ใจใจก็จะรู้ว่ากำลังเห็นรูปอะไรเห็นรูปหญิงรูปชายก็อาศัยความจำที่มีอยู่ว่ารูปนี้เคยเห็นมาหรือเปล่าเราก็เรียกว่าสัญญา พอเราเห็นเราจําได้ว่าออคนนี้เป็นคนเป็นคนดีเป็นเพื่อนเราเราก็จะเกิดเวทนาเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วพอเราเกิดความสุขใจเราก็จะเกิดความคิดปรุงสังขารคิดอยากให้เขาอยู่กับอยู่กับเราอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเขาดีเขาให้ความสุขกับเราแล้วมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าไปเห็นรูปไม่ดีเราก็จะคิดว่าโอ้ยไม่อยากให้เขาอยู่เระอยากเห้เาไป เราก็จะทุกเวลาเราเห็นลูกที่เราไม่ชอบนี่คือการทำงานของของขันที่เราเรียกว่านามขันที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายตัวที่เชื่อมเรียกว่าสันวิญญาณมีอยู่ห้าวิญญาณวิญญาณทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณเนี่ยมีอยู่ห้าห้าห้าเส้นด้วยกันที่จะรับความรู้ทางที่ทางที่ร่างกายได้รับมา ส่งมาให้ใจรับรู้ทีแล้วใจก็จะไปไปไปชำแหละว่ามันเป็นรูปดีรูปไม่ดีรูปดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมารูปไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นม า, มน า, นมาพอเกิดสุขเกิดทุกข์ก็เกิดสังขารความคิดความอยากขึ้นมาถ้าดีก็อยากให้อยู่นานๆถ้าไม่ดีก็อยากให้หายไปเป็นเวลาเจ็บ ปั๊บที่ก็อยากจะให้มันหายพอมไม่หายมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ในพระเจ้าบอกว่าเราต้องมาแก้ตรงนี้แก้ตรงความอยากอย่าไปอยากให้เขาอยู่เลือไปอยากให้เขาไปพอเวลาอยากเขาอยู่เวลาเขาไปเราก็เสียใจเวลาอยากเขาอยู่เขาไม่ไปเวลาอยากเขาไปเขาไม่ไปเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเฉยๆเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเราก็จะไม่ทุกข์จริงแต่เรารู้ว่ามันสุขหรือไม่ทุกข์ สุขก็ไม่สุขเป็นเวลาสัมผัสกับอากาศดีสบายเราก็มีสุขเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยไปก็ทุกข์แต่เราอยู่กับมันได้เราจะอยู่ได้อย่างสบายใจถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไปหรืออยากให้มันอยู่เมื่วันนี้เราอยู่อย่างทุกข์กันได้สัมผัสอะไดีก็อยากจะให้อยู่มันก็วิตกกังวล น, นะมันจะอยู่หรือเปล่าห่วงเป็นห่วงเป็นกังวลขึ้นมานะ ถ้าพอไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีก็อยากให้มันหายมันก็ไม่ไปมันก็ทุกข์อีกนี่เราเรามาฝึกใจตรงเนี้ยฝึกใจให้เรารู้เฉยๆวิธีจะรู้เฉยๆได้ก็ต้องทําใจให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธิก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันจะเดึงให้ใจไปอยู่ตรงจุดที่นิ่งให้รู้เฉยๆไม่ให้สังขารปรุงแต่งไม่ให้เกิดความอยาก ให้เกิดตัวที่จะมาแก้ปัญหาของพวกเราปัาพวกเราตอนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงที่เฉยๆมันเชอบมาอยู่ตรงที่รักหรือชังกลัวหรือหลงพอเห็นอะไรปั๊บจะรักจะชังจะกลัวหลงขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาเรามาปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ความวุ่นวายใจด้วยการดึงใจให้ไปอยู่ตรงจุดที่มันรู้เฉยๆได้ ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงก็คือสมาธิจิตต้องทำใจให้สงบแล้วมันสงบแล้วมันจะเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือใจที่ไม่มีรักชังกลัวหลงแล้วต่อไปเห็นอะไรก็จะเฉยใครจะได้ยินอะไรก็จะเฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยร่างกายเจ็บหรือไม่เจ็บก็เฉยแล้วก็จะอยู่กันไปร่างกายจะอยู่หรือไปก็ เฉยไม่เดือดร้อนที่เบรคาที่เวลาเราได้จากสมาธิเรารู้สึกฉะนั้นว่าเรามีอยู่เบรคาแต่พอที่จะมาพิสูจน์จริงๆอย่างเราต้องพิสูจน์้างนอกว่าเวลากระทบแล้วเรากระเทือนกับเพื่องน่าแค่ไหนทําไมลูกรู้สึกว่ากําลังอุเบกขาลมันอยู่ได้ไม่นานเพราะเราไม่รักษาเหมือนกัวิธีรักษาก็มีสองวิธีออกมาก็ต้องพุโทโธต่อ ถ้าพุโทโธต่อมันก็ยัง ม, มันก็ยังอยู่อุเบกขาได้หรือถ้าจะใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาเลยบอกทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้มาเจอเสียงด่าก็าอย่าไปเราก็จะเฉยว่าเ น, นี่ยมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปอยากให้เขาหายไม่ได้อยากให้เขาหยุดพูดไม่ได้พออยากแล้วเขาไม่หยุดเราก็จะทุกข์ แถ้าเราใช้ปัญญาได้เราก็จะรักษาเบคขาได้อย่างถาวรถ้าใช้ถ้าใช้พุโทโธก็จะต้องรักษาไปเรื่อยๆต้องพุโทโธไปได้เรื่อยๆอ่าต้องเจอ อ, อะไรปั๊บก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปใหอย่างเดียวพอจะไปรักก็ต้องพุโทโธพอจะไปชังก็ต้องพุโทโธมันถึงจะหยุดได้แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะเลิกรักชังอย่างถาวรเลยต่อไปใครจะด่า ก, กี่ล้านครั้งก็จะเฉย ก็ก็ต้องใช้ตอนที่มันเกิดปัญหาไงเกิดปัญหาแล้วมองเนี่ยเขาด่าเราเนี่ยเราห้ามเขาได้หเปล่าอันนี้ก็ฝึกใช้อย่างนี้ไปได้เวลาฝนตกฟ้าร้องนี่เราห้ามเขาได้หรือเปล่าทำไมเราไม่เดือดร้อนนะเพรเราไม่มีความหยากให้เขาไม่ร้องใช่ไหมแล้วทําไมเสียงคนเขาด่าเราทํำไมไปหยาดให้เขาไม่ด่าเราเขาปล่อยเขาด่าเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องไปก็หมดเรื่อง ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่เราไปคิดว่าไม่เป็นธรรมชาติเราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ใช่ธรรมชาติทำยิงคนก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเสียงเสียงออกมาจากปากคนก็เหมือนเสียงจากเสียงฟ้าร้องดีๆนี่เราต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางเขาอย่าไปอยากให้เขาหยุดเรือไม่หยุดย เ, เพราะเราห้ามเขาไม่ได้อแล้วปล่อยวางเราหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้ก็มันก็จบ ปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราเองพออยากให้เขาหยุดแล้วเขาไม่หยุดแล้วก็ทุกเวลาเขาพูดดีก็อยากให้เขาพูดไปเรื่ยอยๆพราะเขาหยุดพูดก็หมาน้อยใจเสียใจทําไมวันนี้ไม่ชมเลยเคยชมอยู่ทุกวันเพราะวันนี้ไม่ชมก็เสียใจ ล, นะละนะเราอย่าไปอย่าไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยเขาไปเป็นตามธรรมชาติเหมือนเราปล่อยฝนฟ้าอากาศเี <Yeah. S 1> ่ยเราเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ เราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนีเรียกว่าที่ก่อนจะก่อนที่จะทําอย่างนี้ได้เราต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ให้ให้ให้เจออุเบกขาก่อนแล้ว เ, เห็นประโยชน์ของการมีอุเบกขาว่าการมีอุเ<ม><อ>บกขาเนี่<ม><ม>ดี ม, มีความสุขขนาดไหนแล้วต่อไปก็พยายามรักษาอุเบกขานี้เวลาออกจากสมาธิมา ทุกเวลานาทีเลยสตินี่ขาดไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าถึงบอกสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีถ้ามีสติแล้วจะมีะมีสิ่งคุ้มครองใจใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายท้ามทำไว้ตั้งแต่ตื่นนอนม า, มาลราดูตัววันนั้ น, น้ท่านังสมาธิไ็มได้ พอเราตั้งเริ่มต้นด้วยสติไงถ้าเราเริ่มต้นด้วยความคิดปรุงแต่งมันก็ไปเลยกังวลเรื่องนั้นห่วงเรื่องนั้นเฮ้ยมันก็ไหลไปเลยแต่พอเริ่มต้นนึ่งตาขึ้นมาตั้งสติก่อนเลยพุโทโธก่อนไปเลยก่อนที่มันจะไปคิดเรื่องอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปผลของสมาทีินี่วัดได้จากการที่ความคิดมันหยุดแล้วก็หยุดที่แค่รู้แล้วเท <c oughs> ่านั้นเลย่าตัวรู้แล้วก็อุบเบกขาไง <c oughs> แล้วก็ความสุขที่เกิดจากอุบเบกขา ก็จะทำให้เราไม่ไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่สนใจใครจะชมก็ได้ใครจะด่าก็ได้นอของสติก็คือสมาธิาแต่เน่องว่ามันมันไม่อยู่นานออกจากสมาธิมามันก็จะหายไปถ้าปล่อยให้มันเริ่มคิดปรุงแต่งมันก็จะหายไปก็ต้องใช้สติดึงไว้ต่อแต่มันก็ต้องดึงไปเรื่อยๆแต่ถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่าเราโง่เองเราไปอยากเอง ถ้าเราไปหยุดความอยากได้ต่อไปเราก็จะไม่วุ่นวายกับอะไรต่างๆไม่ต้องใช้สติก็ได้รับทุกอย่างได้หมดรับตามจริงสติตามจริงเห็นตามความจริงปอปล่อยวา ง, วางเห็นว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้แหละเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ทุกอย่างไม่เที่ยงมาแล้วเดี๋ยวก็ไปถ้าอยากให้เขาไม่ไปก็จะทุกข์ถ้าอยากให้เขาไปแล้วเขาไม่ไปก็ทุกข์เอง แล้วปล่อยเขาก็จะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเหมือนฝนฟ้าอากาศเมื่อวานนี้มาดูที่นี่มืดคลุ้มไปหมดฝนตกเพระฝนสาดกันทําอะไรไม่ได้ก็นั่งอูเบกขากันนั่งสมาธิกันสามสิบกว่านาทีนั่งสบายไม่มีใครบ่นเลยเพราะทําอะไรไม่ได้เนี่ยหัดฝึกทําสมาธิเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้เราก็จะไม่เครียด ก็จะนั่งเฉยๆได้พุทโธพุทโธไปดูลงไปมีประโยชน์มากแล้วถ้ามีปัญญายิ่งดีใหญ่มีปัญญาก็จะปล่อยวางได้อืมทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขามาเขาไปเขาเกิดเขาดับอืเขาดีเขาชั่วเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์แค่ร่างกายถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาไม่เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่อยากให้เขาไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาไม่เจ็บอยากให้เขาไม่ตายกันนั่นเองแล้วเราห้ามเขาได้รอเปล่าห้ามให้เขาไม่เจ็บได้ไ้ยห้ามให้เขาไม่ตายได้ั้ยห้ามอยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆนี่เราหยุดความอยากไม่ได้มันอัตโนมัติพอเจอความเจ็บปั๊บอยากให้หายนันเอพอเจอความตายเนียอยากจะไม่ให้มันตายทันทีไม่ได้ต้องหัดเปลี่ยนทิสัยใหม่ ต้องยอมตายยอมเจ็บเลยถ้ายอมตายยอมเจ็บได้แล้วจะไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเขียนิศที่จะพอช่วยชีวันแล้วก็บอกเราได้ว่าเรายังคงปฏิบัติอยู่ตรงทางที่ถูกอยู่ก็ <c oughs> เราต้องมีศีลเป็นตัว <c oughs> พื้นฐาน <c oughs> เราไม่ทำบาป <c oughs> ถ้าเราเริ่มทาบาปเราเริ่มออกนอกรูนอกทางแล้ว แล้วถ้าเราเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆา่ก็เป็นการออกนอกอูกน่นอกทางเอาเงินไปซื้อความสุขไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆนี่นเรียกว่าไปไปผิดทางละเงินใช้ได้อย่างเดียวคก็เอาไปทําบุญหรือแม่งก็เอาไปซื้อของจําเป็นซื้อกับข้าวกับปลาอาหารจ่ายค่าน้ําค่าไฟถ้าไปซื้อของฟุม่มเฟือยของไม่จําเป็นนี่นเรียกว่าไปหลงทางละ แล้วถ้าไม่มีสติก็อแสดงว่าไม่ไม่ไม่ไมก้าวหน้าแล้วอออแล้วไมม่่สติกิก็าาาคคใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ห่วงวิตกกังวลห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ <S <S อยากได้สิ่งนั้นอยากให้มัเป็นอย่างนี้อะไรแสดงว่าเรากําลังไปทางความอยากไปทางความหลงแล้วยังไม่เห็นตายรักต้องเห็นตายรักเห็นอนุภาพเห็นร่างกายใคร ที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวจะสวยงามนี่ต้องมองหเห็นว่ามันก็เป็นแค่สวยแค่ผิวหนังมองเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็ไม่มีอะไรน่าดูละต้องเห็นอสุภะเห็นเห็นอาหารก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอุจจระเนมันจะได้ไม่อยากกินถ้าเห็นอาหารในจานแล้วมันอร่อยมันอยากจะกินขึ้นมาทั้งนั้นที่กินอิ่มแล้วก็ยังอยากกินะ ถ้าอิ่มแล้วยังอยากกินก็ต้องมองว่ามันเป็นอุจจาระเดี๋ยวมันก็กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องถ่ายออกมาอืมอืมวันพระินแปดกันนะครับอันทีวันพระถือสินแปดกันเหรอะเกซีถ <K C S 2> ือสินแปดได้เหรอใช่ครับแล้วก็บางครั้งก็สินห้าสินห้ามี หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามรับสัตวสามห้ามปรับพะผิดในกามสี่ห้ามพูดปลดห้าห้ามดื่มสุร่ายาเมาโอเคซีทำได้ใช่ไหมสิแปดมีห้ามีแฟนอ้ามนอนห้ามนอนกับแฟนไม่ใช่แฟนไม่ได้ห้ามนอนกับแฟนแล้วก็ ห้ามนอนที่นอนสูงไม่ห้ามนอนที่นอนที่มันสบายเอ่าไอ้นอนบนที่นอนไม่สบายเช่นนอนบนพื้นแข็งแข็งเดี๋ยวหาว่านอนตามได้ก็เลยเอาเบาะมาวางไว้ที่พื้นนี่ไม่ได้ห้ามนอนบนเบาะห้ามนอนอ่าไม่นอนบนฟูกนาหนานอนบนพื้นไม้อย่างเนี้ยแล้วก็ ท้ามาฟังเพลงแล้วก็ห้ามดูทีวีอ่าทำได้ปะถ้าทำได้ไม่ดูก็เลยไม่ดูไปไม่ไม่ขอลองดูเหรออยากจะดูละครอยากจะดูหนังก็จัดสิบห้าดูได้แต่จสิบแปะที่ไม่ทันข้าวเย็นของเขาก็คือเขาล่นเวลามาให้ม เป็นเป็นบ่ายสิบแปดแล้วก็มีห้ามห้ามกินข้าวเย็นอ่ากินข้าวเย็นแล้วก็กินข้าวบ่ายได้นะต่อไปต้องหัดไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วจะทําได้ไหมหลังจากสิบสองโมงแล้วไม่กินแล้วได้หรอเองไม่กี่ชั่วโมงเองยังไม่ได้เออคะแต่ ตอนเสิบแปดทำกินข้าวทำกินหลังเข้าเย็นทำกินหลังเที่ยงทำข้าวกินทำกินข้าวหลักเที่ยงอ่ากินข้าวหลังเที่ยงวันนะอ่วันนังทำตามแม่ดูแม่ก็ไม่กินเราก็ไม่น้องกินค่ะนะมีอะไรไหมจะได้ให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะอ่าอ่าเอาเข้ามาเลย คำถามแรกนะครับจากคุณมิพลนะครับกราบนม่ส ก, การครับผมขอความเมตตาเรื่องสมาธิครับเมื่อเราพุโทโธชนจิตเรานิ่งกับพุโทโธแล้วจิตรวมเป็นสมาธิเราพอแล้วถอนออกจากสมาธิโดยตกำหนดว่าต่อไปนี้เราจะถอยออกจากสมาธิเพื่อพิจารณาอสุภะผมทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับติดประการใดขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับถ้าพิจารณาได้ครับพิจารณาไป ถ้าพิจารณาแล้วมันฟุ้งซ่านก็อย่าเพิ่งพิจารณามาทำสมามาฝึกสติไปก่อนให้สติมีกำลังมากให้สมาธิเราเข้าออกได้ชนานาญแล้วค่อยไปพิจารณาเพราะถ้าเราเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆนี่ยังไม่ชานานออกมาพิจารณานี้อาจจะไม่มีกำลังพอพิจารณาได้ปั๊บนึงเดียวมันจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ แล้วเวลาจะกลับเข้าไปในสมาธิก็จะยากฉนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญในการเข้าออกสมาธิพยายามฝึกสติต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเพราะมันง่ายกว่าพิจารณาทางปัญญาพอออกมาจากสมาธิเราก็พุโทโธต่อไปแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ให้ฝึกให้เข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ให้วันชำนาญก่อน เหมือนกับเราหัดขี่จักรยานเราตอนต้นก็ขี่ในถนนในบ้านในซอยก่อนขี่ให้ชำนาญก่อนแล้วเราค่อยไปออกที่ถนนใหญ่ที่มีรถเยอะๆจะได้รู้จักวิธีหลบหลีกได้ถ้าเรายังไม่ชำนาญเดี๋ยวไปเจอรถก็หลบไม่นะอย่าเพิ่งไปพิ จ, จารณาเพราะพิจารณาแล้วบางทีมันไม่เป็นปัญญามันจะกลายเป็นกิเลสแล้วมันจะพุ่งสร้างขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาได้ พิจารณาแล้วจิตสงบปงได้วางได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาแล้วยังปงไม่ได้ยังวางไม่ได้ก็มาฝึกทำสมาธิให้ชานาญก่อนจะดีกว่าให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการนั่งห้านาทีก็สงบอย่างเนี้ไม่ใช่นั่งไปเอาว่ากว่าจะสงบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้แสดงว่าสติยังไม่ดีมาฝึกสติก่อนดีกว่าให้มีสติอย่างต่อเนื่อง เวลาจากสมาธิมายังไม่ต้องไปพิจารณาก็ได้ว่าฝึกมาฝึกสติต่อพุโทโธพุทโธมาควบคุมความคิดก่อนเพความคิดของเรานี้มันยังจะไปทางกิเลสอยู่มันสติยังไม่มีกําลังพอเริ่มต้นอาจจะเป็นธรรมพอไปสักสองสามนาทีกลายเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้ตัวอย่างนีก็อย่าเพิ่งไปพิจารณามาฝึกสติก่อน ให้สามารถควบคุมความคิดได้พอรู้ว่ากําลังคิดไปในทางกิเลสต้องหยุดได้ถ้าคิดไปในทางกิเลสแล้วหยุดไม่ได้ก็ก็พิจารณาไปก็เสียเวลาเปล่าๆอย่างเบื้องต้นถ้ายังสมาธิยังไม่ชํานาญเพิ่งนั่งสงบได้ครั้งเดียวแล้วก็ไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ได้ผลดีอ่านให้มันชนานาญในการเข้าออกสมาธิก่อนต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ แล้วตอนนั้นเนะวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณาได้เพราะว่าถ้าพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวเกิดมันฟุ้งเราก็จะหยุดมันได้การพิจารณาปัญญาเดี๋ยวมันก็ฟุ้งได้ถ้ามันพิจารณาเลยเถิดออกนอกลูก่นอกทางไปไปทางกิเลสเมื่อไหร่มันก็จะฟุ้งขึ้นมาหรือทางปัญญามันก็อาจจะฟุ้งได้พิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันก็จะทาให้ไม่ไม่ได้ผลดี งั้นออกมาจากสมาธิจะพิจารณาปัญญาก็ได้แต่ต้องระวังอย่าให้มันกลายเป็นกิเลสอย่าไปให้มันทาให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดแล้วกลับเข้าไปในสมาธิให้ได้ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ชำนาญก็หัดฝึกสมาธิไปก่อนให้มันชนานาญให้สามารถหยุดความคิดเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วตอนนั้นค่อยออกไปทางปัญญาจะปลอดภัยกว่า จากคุณยานีสานะครับตั้งสมาธิก่อนล้มตัวนอนสักสิบห้านาทีจะได้ไหมคะนั่งก่อนจะนั่งสมาธิก่อนอนก่อนเนะโง <c oughs> ยังไม่เติร์นเลยคำถามต่อไปนะครับ <c oughs> เรียนถามผาอาจารย์ค่ะาจากคุณอุปาสสิกานะครับเรียนถามผาอาจาย์ค่ะหลวงตามหาบัวเคยเล่าเรื่องที่ท่านไปถามหลวงปู่มั่นเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาปหลวงปู่มั่นตอบอย่างไรหลวงตาจึงเกิดความ เชื่อมั่นในเรื่องเหล่านั้นคะท่านก็บอกว่ามีสิบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีนิพพานมีเมื่อมีคนยืนยันรับรองว่ามีมันก็ทําให้คนที่ไม่รู้ไม่เห็นก็เชื่อขึ้นมาได้เพรเราเป็นเหมือนคนตาบอดยังไม่เห็นบุญเห็นบาปยังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์เพียงแต่ได้ยินแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าพอไปถามคนที่เขาเห็นแล้วมีความศรัทธาเชื่อว่าหลวงปู่มั่นเห็นแล้วก็เลยไปถามให้ท่านช่วยยืนยันฮ พอท่านบอกว่ามีอะไรทําให้หายสงสัย <c oughs> ต่อไปจากคุณผูจังนะครับระหว่างการทําบุญทําทานกับพระสงฆ์และทําทานให้กับคนยากยากไรในเมื่อเรารู้ว่าการทําบุญกับพระสงฆ์ได้อ น, นิสงส์ผลบุญเยอะกว่าถ้าเรามีเงินจํากัดในการทําบุญในแต่ละเดือนเราควรเลือกทําบุญกับพระสงฆ์ดีกว่าใช่ไหมคะอยากถามป้าอาจารย์ว่าหนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ การทําบุญนี่มันมีประโยชน์มีผลได้สอ ง, สองทางทางจิตใจกับทางที่บุคคลที่เราไปทําบุญเขาจะทําอะไรกับบุญที่เราทำกับเงินที่เราให้เขาไปเช่น <c oughs> ถ้าเราทําบุญกับใคร <c oughs> กับพระหรือกับโยมโดยที่เราใช้เงินจํานวนเท่ากันเนี่ยความรู้สึกทางจิตใจมันจะเท่ากันเราจะมีความสุขใจเหมือนกัน เราได้ช่วยเหลือพระเรื่อยๆหรื อ, รอช่วยเหลือโยมที่เป็นคนเหมือนกันเาข า, นาไม่มีข้าวกินพระไม่มีข้าวกินกับโยมไม่มีข้าวกินซื้อข้าวให้สองคนกินมันก็ความรู้สึกก็เท่ากันใช่มหมเพราะเห็นว่าเขาอิ่มจากการกินข้าวที่เราให้เขาไปนี่เรียกว่าบุญที่เกิดในใจของเราความสุขใจอันนี้ทํากับใครเหมือนกันหมดส่วนที่ไม่เหมือนก็ตรงที่ว่า เวลาเราไปทํากับพระเราอาจจะได้คุยกับพระแล้วพระเขาอาจจะสอนธรรมะให้กับเราอถ้าเราไปทํากับโยมเราคุยกับเขาเขาไม่มีธรรมะเขาก็สอนเรื่องเขาก็คุยเรื่องอื่นประโยชน์อันที่สองเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าทําไปทําบุญกับพระเช่นวันนี้มาทําที่นี่ก็มานั่งคุยธรรมะกันใช่ไหมก็ได้ธรรมะกลับไปถ้าไปทํากับโรงพยาบาลทํากับหมอก็คุยกับหมอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ก็ได้ความรู้อีกแบบไปอันนี้เป็นของต่างกันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราทำว่าเขามีอะไรจะคุยกับเราถ้าไปคุยกับคนที่มีธรรมะ ม, มากก็จะมีธรรมะให้เรามากคนที่มีธรรมะน้อยก็มีให้เราน้อยเหมือนไปคุยกับคนที่จบปัญญาตีกับปัญญาโทกับปัญญาเอกนี่มันก็ความรู้ไม่เท่ากันไปคุยกับคนระดับปัญญาเอกก็จะได้ความรู้มาก กว่าป็ญญาโทก็เหมือนกับไปคุยกับพระธรรมดากลับไปคุยกับพระอรหันนี่มันความรู้ก็ต่างกันไปคุยกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันก็ความรู้ก็ต่างกันความสามารถต่างกันดังั้นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทําบุญนี่ก็อยู่ที่ความสามารถของเขาที่เขาจะให้ความรู้กับเราเพราะถึงบอกว่าท่านทำบุญกับพระธรรมดานี้ได้สิบเท่า ทำบุญกับพระอริยะได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระอาหารหันได้พันเท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้หมื่นเท่าอได้ธรรมะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอาจจะบรรลุเลยเพราะพระพเจ้ารู้ว่ากําลังติดอยู่กําลังหลงอยู่กับเรื่องอะไรก็ชี้ชี้ไปตรงนั้นเลยพอเราได้ยินได้ฟังว่าเรากําลังทุกข์เพราะเรื่องนี้พอท่านบอกให้ปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็หายทุกข์แต่ไปคุยกับพระธรรมดาที่ท่านยังไม่มีธรรมะ ท่านยังไม่รู้ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนเกิดจากเรื่องอะไรท่านก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าตอนนี้ความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนี่คือความแตกต่างระหว่างการไปทําบุญกับคนต่างๆกันแล้วแต่สิ่งที่เขาจะให้กับเรากลับมาคือความรู้ที่เราเขาจะให้กับเรา ถ้าเราต้องการทำํำเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมอะถ้าเราต้องการความรู้ทางการรักษาเยียวยาร่างกายเราก็ไปทํากับหมอไปทากับโรงพยาบาลถ้าอยากจะได้วิชาความรู้ก็ไปทํากับหมหาวิทยาลัย ไ, ไปจ่ายค่าเราเรียนแล้วก็ไปเรียนกับเขาใช่หไหมอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างที่เราการทําบุญของเรา แต่ถ้าเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากคนที่เราไปทำบุญด้วยทํากับใครก็เหมือนกันมีความสุขใจเหมือนกันไปปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาก็ได้ถ้าปริมาณเงินเท่ากันนะถ้าจะสุขมากสุขน้อยตอนนี้ต้องอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราเสียสละถ้าเราเสียสละมากก็จะสุขมากถ้าเสียสละน้อยก็จะสุขน้อยแล้วก็จะเป็นเงินที่เราไปฝากในธนาคารบุญด้วย ถ้าเราทำมากชาติหน้าเรากลับมาเกิดก็จะมีเงินมากรอเราอยู่เหมือนกับเราเงินไปฝากธนาคารฝากน้อยเราไปเบิกมันก็ได้น้อยถ้าฝากมากเวลาไปเบิกก็จะได้มากเบิกคืนมาก็จะได้มากถ้ามีดอกทบด้วยมีดอกเบี้ยให้ด้วยนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างการทาบุญกับบุคคลต่างๆสถานะต่อไปจากคุณน้านะครับโยมกำลังเป็นผัวในหลวงอย่างมาก โยมจะดับทุกนในใจอย่างไรดีเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันเรื่องของโ ย, งย <c oughs> มนะ ถ, ถ้าจะดับทุกก็ต้องใช้ธรรมะของท้าเจ้าพระเจ้าบอกให้พจิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตา ย, ตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ถ้ามีธรรมะอันนี้เราก็จะหายทุกข์ได้คำถามต่อไปจากคุณเจริญคุณนะครับผมใช้อานาปานสติแต่ผมสงสัยตรงที่กําหนดกลางลมผมไม่ทันรู้ทันแต่ต้นลมกับปลายลมตรงกลางลมนี่มันตอนไหนกําหนดไม่ทันควรทําอย่างไรครับเอ่อไม่เป็นไรนะให้รู้ต้นกับปลายก็พอให้ให้อยู่กับลมไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นก็ก็แล้วกัน ไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกขัน้นทุกตอนของลมให้รู้เข้ารู้ออกก็พอคํถาถามต่อไปจากคุณเอกเอกคุณครับกราบเรียนถามเรื่องการรักษาสินแหกและสินอุโบสถถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าข้ออื่นอื่นจะขาดด้วยไหมครับไม่ขาดหรอกของใครของมันเราไม่ได้ไปพูดปวดเราเราไปกินเหล้านะมันจะทําให้เราเราผิดที่ข้อพูดปดได้ยังไง มันไม่ขาดหรอกเอาว่าเขาขาดก็หมายถึงว่าไม่บริสุทธิ์นะคือศีลมันไม่บริสุทธิ์มันไม่ครบร้อยเข้าใจไหมขาดไปข้อหนึ่งมันก็ไม่บริสุทธิ์มันได้แค่แปดสิบเปอร์ซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตสินแต่มันไม่ทำให้สินข้ออื่นขาดไปด้วยก็ยเราไม่ได้ไปทํามันไม่ไปขาดได้ยังไงใช่ไหม อ, อ่ถ้าเราไม่ได้ไปพูดปดปปเดราไปดื่มโซลาร์มันจะไปขาดหมดทุกข้อได้ยังไงเ อ, อ่นั่นแหละ คนไม่เข้าใจคำว่าคาว่ามันขาดก็คือมันมันไม่ครบร้อยนอมันไม่ได้ขาดหมดมันไม่ครบร้อยถ้ารักษาได้เจ็ดข้อเนี้ยมันก็ได้ได้เจ็ดในแปดก็ไปหารดูว่ากี่เปอร์เซ็นตถ้าผิดสี่ข้อก็ได้แค่ร้อยละห้าสิบได้ครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าถือศีลแปดได้ไม่ครบ้อ อาาที่จกสุขภาพก็ขาดไปข้อหนึ่งไงมันก็มาเปมันก็จะมีปัญหาเวลาภาวนาเอ่าในภาวนามันก็จะง่วงมง่วงนอนกินแล้วมันแล้วก็เสียเวลาถ้าเรากินไม่กินหลังเที่ยงเราก็จะมีเวลาว่างไปตั้งแต่เที่ยงไปถึงเวลานอนเลยสิบโมสิบชั่วโมงแต่ถ้าเรามาพาวควงวังกินอาหารเย็นอีกก็ต้องรออีกหกชั่วโมง เดี๋ยเวลาจะภาวนาก็เดี๋ยวก็มันไม่ต่อเนื่องภาวนาเสร็จเดี๋ยวต้องหยุดมากินข้าวอีกแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนรถเนี่ยรถวิ่งไปแล้วต้องหยุดแวะเติมน้ำมันกับรถที่ไม่ต้องหยุดแวะเติมมันไหนมันจะวิ่งไปได้เร็วกว่ากันนช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าต้องทานยาหลังอาหารยาที่แบบต้องทานหลังอาหารพร้อมอาหารทันทีอ่าทํำยังไงคะ เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรนะเราจะเอาศีลหรือเาจะเอาอยาเหรออ่เอาเราไม่ใจนอาเองคำถามต่อไปจากคุณสุภจิลานะครับมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่สามารถทาสมาธิถึงขั้นฌานได้ต้องมีศีลแปดอย่างนั้นอยู่เจ้าค่ะปราบสาวทุกเจ้าผักคือถ้ามีไม่มีศีลแปดเดี๋ยวก็ไปนั่งดูหนังแทนจะมานั่งสมาธิกัน ถ้าได้ยากกว่ า, า, า, วาถ้าเรารักษาศีลหแล้วเราไม่ทำไปไปทากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้มันก็เหมือนกับศีลแปดะถ้าเราไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกินกนกนกจกรรมอย่างอื่ น, รรนคือถ้าเราไปทำมันก็ทำให้เราไม่มีเวลามาทำสมาธิกันถ้ารักษาศีลแปก็ไปกินเลี้ยงไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้มันก็มีเวลามานั่งสมาธิกัน หมดแล้วใช่ไหมครับคำถามนะครับถ้าราชการจะคุณอยู่กับปัจจุบันอยากทราบเรื่องบัวสีเหล่าว่าเราจะสามารถพัฒนาขึ้นในปัจจุบันชาติใหมค่ค่ะได้ทุกคนมีโอกาสถ้ามีาพระพุทธศาสนานี่ทําให้เราสามารถพัฒนาได้เพราะพุทธศาสนานก็เป็นเหมือนโรงเรียนที่เราสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ปอหนึ่งไปถึงระดับปรบิญญาได้บัวสีเหล่าก็คือ เราต่ำสุดก็คือพวกที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณทโทษนรกสวรรค์ตรงนี้เขาก็จะไม่เข้าวัดกันเขาจะไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาธรรมกันตรงนี้ก็ถือเป็นพวกที่ไม่ไปโรงเรียนกันตรงนี้ก็ไม่มีวางเรียนจบปริญญาได้ใช่ไหม บ, บัวเหล่าที่สองก็คือพวกที่ว่าเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงะ สวรรค์มีจริงเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนิพพานมีจริงก็จะเริ่มรักษาศีลทําบุญใส่บาตรแล้วก็หัดนั่งสมาธิในวันพระอะไรอย่างนี้นีบ่บัวเหล่าที่สองคือคารวะญาติโยมพวกที่สามก็คือพวกที่เริ่มปฏิบัติจริงจังลวเริ่มไปบวชกันละถือศีลแปดกั น, น, กนเริ่บบวชเป็นพระกันแล้วก็ นั่งสมาธิกันฝึกสมาธิรักษาศีลกันตลอดเวลาก็จะมีมีมีโอกาสที่จะได้สมาธิกันพอพอจิตสงบปั네๊บก <sh arp ity> <res> <ki> ็จะเข้าใจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะเป็นบัวเหล่าที่สี่ไปพวกที่เข้าใจเข้าถึงรมคำสอนพระเจ้าเข้าถึงปัญญาก็เป็นพวกบัวเหล่าที่สี่ ก็จะเหมือนกับพวกบัวที่ได้รับแสงสว่างแห่งทัแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี่ก็มีสี่พวกพวกที่ไม่เชื่อบาปบุคุณโทษก็พวกที่เป็นอาหารของปูของปลาไปพวกที่เชื่อบุญเชื่อบาปก็ทำบุญรักษาศีลไปหัดภาวนาไปพวกที่เห็นว่าการจะหลุดพ้นจากการทุกข์ได้ต้องออกบวชออกบวชเพื่อฝึกสมาธิกัน ยังแต่ยังไม่ได้สมาธิกำลังหัดกันอยู่พวกที่สี่นี้เป็นพวกที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วพอได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้มีสี่พวกได้กันคำถามต่อไปจากคุณแมรีร่ครับมีสามคำถาม น, นะครับหนึ 1, ่งพิสุณีกับแม่ชีต่างกันอย่างยังไงสองท่านไหนสืบถือสิ่งแปดท่านไหนคือสิ่3สามร้อยสิบเอ็ด่ะอ่า ก็แล้วแต่ไงสมัยนี้มันมีหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเป็นภิกษุณีก็เป็นเหมือนกับภิกษุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้กําหนดพระวินัยให้นักษาภิกษุณีนั้นมีสามร้อยกว่าข้อแต่สมัยปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วผู้หญิงจะปฏิบัติจะเป็นนักบวชก็ต้องบวชแบบเป็นแม่ชีไปแม่ชีก็มีสองพวก แม่ชีที่ถือศีลแปดกับแม่ชีที่ถือศีลสิบพวกที่ถือศีลสิบก็ไม่แตะต้องเงินทองพวกที่ยังแตะต้องเงินทองอยู่ก็ถือศีลแปดไปแล้วพวกที่ถือศีลแปดก็มีสองพวกพวกโกนหัวก็ไม่โกนหัว <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องของศีลแต่เรื่องของการภาวนาก็ต้องภาวนาเหมือนกันต้องพุทโธต้องเจริญสติ ต้องทำใจให้สงบต้องอพิจารณาปัญญาเหมือนกันถึงจะบรรลุได้ก็มหกีหลากหลายด้วยกันถ้าเราอยากจะมีศีลแบบเคร่งครัดก็ไปอ่านพระวินัยของภิกษณุณีภิกษุณีมีศีลกี่ข้อเราก็หัดรักษาเอาเองเอรักษามันสามร้อยข้อเลยถ้ารู้แล้วรู้ล่อไปสิว่าทำไมเขารักษาได้เราทำไมรักษาไม่ได้ แต่แต่ก็ไม่จำเป็นอ่ะศีลแค่ศีลแนี่ก็พอครับสำหรับการที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุแล้วไอ้ที่มันมากๆนี่มันส่วนใหญ่มันเป็นกฎระเบียบอ่าเป็นระเบียบมากกว่าเป็นให้ประพฤตตัวให้เรียบร้อยไม่ไม่ให้ดูแล้วไม่น่าดูอ่ กินข้าวก็ให้นั่งกินอย่าเดินกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นธรรมเนียมของผู้ของผู้ทรงศีลควรจะเรียบร้อยสวยงามแล้วทําอะไรก็ให้ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นเอาของของใครมาใช้เสร็จก็เอ า, เอากลับไปคืนไม่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอามาแล้วก็เวลาใช้เสร็จก็ไม่เอาไปคื น, นอันนี้ก็เป็นศีลศีลเล็กเล็กน้อยศีลอย สินหลักก็เหมือนกันสินหลักก็มีแค่สีข้อนะนะของพระไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่เสกกามแล้วก็ไม่อวดไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นอันนี้ก็เป็นศิลหลักของพระถ้าขาดสี่ข้อ น, นี้ก็ขาดจากการเป็นพระไปส่วนศีนหนึ่งก็เป็นศีลลองลงมาเช่นไม่ให้อยู่สองต่อสองกับศีกาคุยกันไม่ให้เกี่ยวพูดพูดจาเกี่ยวพาราศีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นศีลลองลงม า, มา เพื่อรักษาความสวยงามของพระและรักษาการที่จะไปเสี่ยงกับการที่จะไปทําบาปต่อไปเท mm hmm. ่านั้นเองยังความจริงศีลหลักๆของพระของนักบวชทั้งหมดก็มีแค่สี่ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดไม่เสกกามและก็ไม่โกหกหลอกลวงส่วนศีลข้ออื่นก็เป็นศีลสนับสนุนเช่นศีลแปดนี่ก็เป็นศีลสนับสนุนไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปนอนบนที่เนอะที่อะไรต่างๆนี่ เป็นศีลสนับสนุนเท่านั้นเองงั้นไม่ต้องกังวลมากนะว่าไม่มีศีลจะไม่มีภิกษณุณีแล้วจะไปบรรไปเป็นไปนิพพานไม่ได้ไมันไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกขอให้มีศีลห้านี้นก็ไปได้แล้วศีลห้าแต่ได้ศีลแปดยิ่งดีมันจะได้ไง่ายมันจะได้มีไม่มีสิ่งที่จะมาลากให้เราไปทําอย่างอื่นเท่านั้นเองอีกสองต้นนะครับจากคุณอาร์นะครับ ตั้งสมาธิแล้วเห็นอดีตชาติของตัวเองเห็นเห็นสมุดบัญชีบุญการทำโทษศีลข้อกาเมการทำโทษศีลข้อมุสาและทำโทษศีลข้อห้าผมต้องทำอย่างไรครับใกล้รู้เฉยๆรู้แล้วก็รู้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าทำบาปแล้วมันจะมีผลเสียหายกับเราเราก็อย่าทำเมือเวลาที่เราทาผิด โดนเขาจับก็เขาก็บอกว่านี่ทําผิดนะต้องไปลงโทษนะไปขังคุกสามปีเพื่อให้เราเข็ดลาปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเราเคยทําบาปแล้วเราไปรับโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ทําต่อไปก็เกิดต่อไปนี้เราก็อย่าไปทําบาปอาจารย์สุดท้ายแต่คุณเดียนะครับคนตายไปแล้วเราทําบุญแบบไหนจะรู้ว่าเขาได้จริงครับ เนึ่เราต้องเขาต้องเขากับเราต้องติดต่อกันได้ได้ก่อนถึงจะรู้จริงว่าเขารอรับบุญของเราหรือเปล่าคนบางคนเข้าไปเขามีบุญแล้วเขาก็ไม่มารอรับบุญของเราเช่นบางคนเขาทําบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันนี้เขาตายไปเขาไม่ต้องมารอรับบุญของเราเพราะเขามีบุญติดตัวไปงั้นเราไม่รู้ว่าคนตายไปแล้วนี้เขาจะรอรับบุญหรือเปล่านอกจากเรามีกําลังของสมาธิยังสมาธิเราสามารถติดต่อคนตายได้ ถ้าเราติดต่อไม่ได้เราก็ทําไปเผื่อไว้เท่านั้นเองเผ mm hmm. ื่อไว้ว mm hmm. ่าเกิดเขาไม่มีบุญแล้วคอรออยู่เขาก็จะได้บุญแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรอรับอยู่หรือเปล่าอันนี้เราไม่มีวันรู้ได้นอกจากเรามียา น, นั่งสมาธิเราสามารถติดต่อกับคนตายได้คนบางคนมีแต่บางคนบางคนไม่มีบางคนนั่งสมาธิแล้วก็ยังไม่มีก็มีอันนี้เป็นความสามารถพิเศษอันนี้ก็ ถ้าเรากังวลเราห่วงยายคนที่ตายไปแล้วก็ทำไปเท่านั้นเองส่วนก็จะรอรับหรือไม่รอรับเราเราไม่มีวันดูได้อ่คำถามหมดพอดีนะเวลาก็หมดพอดีญาติโยมก็อยากจะกลับพอดีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพลนิสเพจจานาไปปฏิบัติ